สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสบายๆกับพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะนำมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญพรเดติ้งตอนที่แล้วค่ะพระอาจารย์มีเพื่อนๆหลายคนก็ชอบใจชอบใจตัวอย่างของแตเอียมากมเพราะว่าตัวตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอายมากอายแตเอียมากม <laughs> เพราะรู้สึกว่า เวลาเรามีอารมณ์ที่หลากหลายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยก็จะนึกถึงแต่เอียทุกครั้งว่าเรายึดติดกับตัวเราเองก็ทำให้เราแบบไม่ค่อยคงที่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหรก่ก็ก็อายเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนก็ถูกใจเรื่องของแตะเอียอเพราะว่าเออเออถ้าเราเป็นงี้เราต้องอายหมาเลยนะถูกใจกันมากคะ่ะออส่วนมากเนี่ยนะก็จะ เป็นแอถามเรานะเดี๋ยววันนี้เราถามแอบ้างดีกว่านะเจ้าค่ะสันโดอ่ะสันโดดไปว่าอะไรถ้าในความรู้สึกของโยมก็จะรู้สึกว่าการที่อไม่ต้องวุ่นวายกับใครมากๆอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยหรออยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะอืมสันโดดประมาณนั้นเจ้าค่ะอ๋อนี้ถ้าพูดว่าสันโดษคือความไม่เอาอะไรอย่างเี้มันใกล้เคียงไหมกับไอ้เมื่อกี้เนะี่ย ก, ก็ว่าได้นะเจ้าคะ่ะก็ว่าได้เขาไม่เอาอะไรเลยอยู่คนเดียวไม่เอาใครไม่เอาอะไรแล้วความมักน้อยล่ะมันเหมือนกับสันโดษไหมถ้าความรู้สึกของโยมก็ว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องไม่ใช่เป็นความหมายที่ดีเลยแหละเกี่ยวข้องก็เหมือนไม่เหมือนกันนะเจ้าคะ่ะก็คือก็คือว่าในความหมายที่โยมคิดก็คือว่าสันโดษนี่คือ ตอนแรกที่พูดคือไม่เอาใครไม่เอาอะไรอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความหมายที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่ก็ทําให้รู้สึกว่าไอ้มันมันน่าจะถูกนะมันน่าจะเป็นความหมายที่ถูกนะซึ่งโ ย, <อ>งยมยังไม่ทราบเจ้าค่ะอ๋อโยมก็ยังไม่ทราบว่าถูกไหมมักน้อยเนี่ยคําภาษาบาลีเขาใช้คําว่าอภิจชตานะอภิจชตาแปลว่าผู้มีความปรารถนานนะส่วนสันโดษเนี่ย ภาษาบรีใช้คําว่าสันตุถีทีนี้เขาแยกสัพท์เป็น2ตัวนะแยกกันเพราะฉะนั้นสันโดษก็อันหนึ่งความมักน้อยก็อันหนึ่ ง, ามมานนงแต่ดูแล้วมันก็อาจจะใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นเพรามันแตกต่างกันมันจึงระ บ, บุออกมาเป็น2ศัพท์อภิชตาเนี่ยก็ตรงตัวนะมี ผู้มีความปรารถนาน้อยถ้านึกถึงว่าเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันดูจะกึ่งๆมีความไม่ดีอยู่อะนะรู้สึกถ้าในชาวบ้านเนี่ยเราบอกว่าเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเหมือนเป็นคนไม่กระตือรือร้นไม่เอางานเอาการไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่อภิชิตาเนี่ย เป็นหมวดหมู่ธรรมะที่เขาเรียกว่าอยู่ในสันเลขธรรมนะคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกาขูดเกากิเลสนะเป็นหนึ่งในนั้นนะอภิชตาเป็นผู้มีความมักน้อยนะแล้วมันจะสวนทางกันไหมล่ะว่าเป็นผู้มีความมักน้อยแล้วมันจะหาความเจริญได้จากไหนดูมันเหมือนจะสวนทางกันลนะเหมือนมันต้องแยกกันระหว่างทางโลกกับทางธรรมไหมเจ้าคะ่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่า ถ้าในทางธรรมไปได้ทางโลกต้องไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเจริญทางโลกแยกกับเจริญทางธรรมเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าอมันดูไม่มันขัดแย้งนะหมายความว่าถ้าเกิดเจริญทางโลกเนี่ยมันมีทั้งเจริญในทางที่มีความหมายในทางดีในทางธรรมะแล้วก็มีความหมายในทางไม่ดีในทางธรรมะเหมือนกันแต่พอเราพูดถึงว่า เจริญในทางธรรมเนี่ยมันหมายถึงว่าเจริญในทางดีโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเจริญในทางธรรมเนี่ยมันต้องดีด้วยมีประโยชน์ด้วยในทางโลกด้วย อ, อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างว่าหมอเนี่ยรักษาคนไข้ได้มากๆดีไหมดีนะก็มีคนหายป่วยแล้วก็อันนี้คือว่าเขาเรียกว่าวิวัฒนาการในทางการแพทย์ก็เจริญขึ้นใช้ศัพท์ของว่าเจริญขึ้นนะ แต่ถ้าเกิดว่าสเป ร, เ ม, รมีคนตายได้เผามากๆกลางวันก็เผากลางคืนก็เผาสปเปร์ก็รู้สึกว่าอาชีพการงานเขาก็เจริญขึ้นนะได้เผาคนเยอ ะ, ยอะมีไรายได้ได้ดีนะทีนี้ความเจริญของสปเปร์เกิดขึ้นแล้วมันมาเกิดขึ้นอยู่กับเราเนี่ยมันจะดีไหม <laughs> คนตายเยอะๆอย่างนี้แหะก็ <S 1> <S 1> หมายความว่ามีคนรอบข้างเราตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้สับปเลอได้เผาอยู่เรื่อยๆนะสับปะเลดก็ถือว่าดีนะแต่เราก็ถือว่าไม่ดีถูกไหมล่ะใช่จะัะครับว่าโอ้โหญาติมิตรเพื่อนฝูงถ้ายอยตายกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็เรียกว่าอของสับปลด เ, เนี่ยสมมติว่าเจริญแต่ของเราถือว่ามันไม่ดีแล้วเป็นความเสื่อมเพราะว่าสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนได้สูญหายตายจากไปเพราะฉะนั้น เราต้องมาทําความเข้าใจกับศัพท์ของว่าเจริญให้มันดีขึ้นไปนิดหนึ่งด้วยนะทีนี้อันนี้เขาเรียกว่าเจริญแบบในทางทางทางโลกนะแต่ในทางทางก็คือเจริญทางด้านที่มันเป็นเกี่ยวกับว่าจิตใจแล้วก็ทั้งจิตใจมันดีผลที่ได้เนี่ยมันก็ออกมาทางคําพูดความคิดการกระทํามันก็ทําแต่ในเรื่องดีๆเพราะฉะนั้นไอการเจริญ ทางโลกโลกเนี่ยก็คือความที่มันมีพัฒนาการให้มันมากขึ้นแต่ถ้าถ้าบอกว่าในสมมติทางโลกเนี่ยมันเป็นมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีด้วยถ้าฝ่ายดีมันจเจริญขึ้นมันก็จะไปเจริญตรงกับด้านของทางธรรมด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นคนคนเลวคนพานอย่างนี้นะเขาก็ทำให้มันดีได้มากได้ในแบบของเขา อย่างเช่นค่าคนได้มากขึ้นปล้นคนได้มากขึ้นโกงคนได้มากขึ้นอันนั้นก็เป็นในแบบที่เขาว่าดีแต่มันไม่ดีจริงๆไม่ดีจริงๆในทางธรรมในทางธรรมเนี่ยคือดีแล้วมันเจริญขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนใครด้วยนะแต่ในพังที่เราว่าไปเมื่อกี้คือช่อกโกงก็ดีลักทรัพย์ก็ดีค่าคนก็ดีต่างๆ่พวกนี้เนี่ยมันเจริญขึ้นในดีต้องบอกว่ามันดีในทางของเขาแต่มันยังเบียดเบียนคนอื่น เพราะฉะนั้นนักปรักท่านจึงไม่สันเสริญว่ามันเป็นทางดีจริงๆเป็นทางเจริญทางฝ่ายดีจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยออกไปออกน้ำออกทะเลไปแล้วออกไปจากสันตุถีกับอภิชาตาแล้วเพราะฉะนั้นก็วกกลับเข้ามาใหม่ <c oughs> ทีนี้พอเรามาดูคำว่าสันตุถีเนี่ยพอเราดูภาษาบาลีเนี่ยมันก็มาจากคาว่ า, าสังบวกกับ ตุสาธาตุตุสาธาตุเนี่ยมันแปลว่าร่าเริงถ้านักเรีบาลีเขาจะพูดว่าตุสาธาตุในความร่าเริงยินดีนะสั่งนี่ก็แปลว่าพร้อมหรือกับดีเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าร่าเริงพร้อมร่าเริงดีเงี้ยนะเพราะนั้นความหมายของสันโดษเนี่ยมันจึงดีนะ เ, เขาเรียกว่าร่าเริงยินดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปพูดถึงความหมายแรกๆที่เราพูดกันตะกี้คือความไม่เอาอะไรมันจะต่างกันเลยนะไม่เอาอะไรเนี่ยก็คือดูแล้วมันเป็นลักษณะใจที่มันขุนมัวไม่แช่มชื่นไม่เบิกบานปฏิเสธทุกอย่างแต่สันตุถีเนี่ยมันก็บอกในตัวมันอยู่แล้วว่าร่าเริงพร้อมร่าเริงทั่วนะ คือยินดียินดีด้วยนะ ต, ตัวสถาทธาในความยินดีในความร่าเริง น, นะเพราะฉะนั้นมันเป็นจิตใจที่ช่มชื่นเบิกบานผ่องใสนะแล้วแต่ทำไมเราถึงได้คำนิยามแล้วก็มีความฝังใจกับสับคำว่าสันโดษเนี่ยว่าเป็นคนไม่เอาอะไรเป็นคนเรื่อยเรื่อยเฉยเพรพอเราเป็นคนสันโดษมากๆก็ดูเหมือนว่า เราจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าในทางโลกคือการทำมาหากินก็ดีในการที่เราจะทำงานให้มันเจริญก้าวหน้าได้ยศได้ตำแหน่งหรือได้เงินเดือนมากๆเนี่ยกับคำว่าสันโดษเนี่ยมันดูที่จะขัดแย้งกันแต่จริงๆแล้วเนะเราเนี่ยมีความหมายแล้วก็เอาไปใช้ในแบบที่ไม่ถูกต้องอะนะเหมือนเราบอกว่าเรามีช้อนเอาไว้ตักข้าว ตักกับใส่ปากนะแต่เรากลับเอาช้อนเนี่ยไปงัดประตูแทนกุญแจมันก็จะเขาเรียก ว, ว่าได้ทำหน้าที่ที่มันไม่ไม่เหมาะสมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยก็ต้องใช้ใมันถูกต้องถูกจังหวะจะโคนของเขาด้วยมันจึงจะได้ผลที่สำเร็จได้อย่างดี <c oughs> ก็พยายามจะไม่ออกน้ำออกทะเลแล้วนะ <c oughs> สันโดษเนี่ยเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ย ท่านก็เบอกว่าที่เราได้ยินคำนี้แปลกันมากๆก็คือว่ายินดีในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้อย่างเงี้ยนะซึ่งไอ้คำว่ายินดีนะมันมีความหมายลึกซึ้งนะก็คือเราต้องมีใจที่เบิกบานช่มชื่นในกับสิ่งของที่เรามีสิ่งของที่เราได้วกกับมนที่อภิชาติอีกนิดหนึ่ง เดี๋ยวมันจะมันต้องไปคู่กันเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับมาถึงอภิชาตาด้วยความมักน้อยมักน้อยนี่ดีไหมละ่ะมันดูมันจะคล้ายๆกันเลยนะเจ้าคะหมายถึงว่ามักน้อยก็เหมือนไม่เอาอะไรอย่างงี้แหะก็เห<วา>มือนก็เหมือนไม่เอาอะไรคือคือถ้าถ้าพูดว่ามักน้อยสําหรับบางคนก็คงจะรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะยินดีพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีถึงแม้มันจะน้อยนิด<ค>อะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูว่าเราเป็นคนสบายๆแต่แต่มักน้อยดูในในภาพรวมหรือในชีวิตโลกโลกแล้วเนี่ยมักน้อยเหมือนคนไม่ฝ่หาความเจริญใส่ตัวมไม่ฝ่หาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบอย่างนี้<ห>แสดง<ะ>ว่าไม่ต้องเลื่อนตาแหน่งใช่จ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องที่จะขยายงานให้ได้มากขึ้นใช่จ้าได้ลูกค้ามากขึ้นก็ไม่เอาอย่างนี้ นี้แสดงว่าเราเข้าใจความหมายของอภิชาตาเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะอภิชาตาใช้ให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าเป้าหมายกับความคาดหวังก่อนเราก็จะเข้าใจคําว่าอภิชาตาเนี่ยมันดีขึ้นเป้าหมายเนี่ยก็คือว่าอย่างเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเป้าหมายของเราว่าที่สุดของทุกขเราจะทําที่สุดของทุกให้ได้อันนี้คือเป้าหมายแต่ถ้าใครมีความคาดหวัง มันจะมีส่วนต่างของความทุกข์เกิดขึ้นเราตั้งเป้าอะไรไว้เราตั้งเป้าได้นะการงานก็เหมือนกันเราตั้งเป้าว่าเราจะทำให้การงานอันนี้เสร็จหรือปีนี้เราจะทำให้อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทเราอยู่ที่สามเปอร์เซนส ม, มุตินะอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะต้องไปถึงแต่ความคาดหวังอันนี้นะถ้าเราคาดหวังเอาไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แน่นอนว่าถ้ามันไม่ได้ดังหวังเนี่ยมนนันก็กวกเข้าวากเข้าไปหาตรงที่ว่าไม่ได้ดังหวังเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันแต่เราไม่ใช่ว่าเราไม่มีเป้าหมายนะเรนะาต้องมีเป้าหมายแต่เราไม่มีความคาดหวังความคาดหวังเนี่ยนะมันทําให้เป้าหมายเนี่ยมันดูที่จะไปายากดําเนินไปได้ยากทําให้สําเร็จได้โดยยากจริงๆเร า, าต้องมีเป้าหมาย แต่เราไม่มีความคาดหวังหมายความว่าเรายินดีมันเริ่มใช้แล้วนะเรายินดีพอใจในเหตุที่เราได้ทำเราทำเหตุอะไรปุ๊บผลที่มันเกิดขึ้นเรามีความยินดีอันนี้แหละสันตุถีมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละเราตั้งเป้าไว้ที่ 3% เให้บริษัทโตขึ้นได้ 3% แต่สุดท้ายทำไปทำมาแล้วได้ 2% เรซเราก็มีสันตุถี คือความยินดีพอใจที่มันเกิดขึ้นสอันนี้แหละแล้วก็มีความยินดีไม่ใช่ว่ามันโตขึ้นได้ทั้งสอร์เซน์แล้วทําไมมันไม่ถึงสปอร์เซตไอ้ตรงนี้แหละคือความคาดหวังที่มันเป็นส่วนเกินเป็นส่วนต่างที่อยู่ดีๆมาสร้างความทุกข์ให้เราซึ่งถ้าเรามีสันติถีเนี่ยคือความยินดีพอใจตัวนี้นะความคาดหวังเนี่ยมันจะโดนกําจัดไปได้ เราก็ต้องทําเหตุให้มันสมเหตุสมผลกันด้วยนะหมายความว่าเราก็ทําเหตุให้ดีเราก็ขยันทํางานบริหารจัดการได้อย่างดีคอยใคร่ครวญว่าอะไรต้องทําอะไรบ้างอะไรบ้างที่เราจะต้องหลีกเล้นหลีกลีกเว้นไม่ทําอะไรที่เราจะต้องเร่งทําลําดับความสําคัญก่อนหลังให้มันได้ดีเราก็ทำทำไปพูดง่ายคือทําปัจจุบันแต่ไม่ได้ทำทำงานในอนาคตนะ เราทำงานในปัจจุบันคือทาเหตุของเป้าหมายของเราให้ดีพอผลที่มันเกิดขึ้นจากงานที่เราทําไปแล้วเราก็เต็มที่กับมันแล้วก็มีความยินดีกับมันในผลที่มันเกิดขึ้นมันจะมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นมาเท่าไหร่เราก็ยอมรับมันได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงเป้าหมายที่เราคาดไว้ก็ไม่เป็นไรเป็นมันเป็นธรรมะที่ดีมากเลยนะเจ้าคะ่ะคือถ้าถ้าคนทําได้แบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้ว ยัมีความรู้สึกว่าการการตั้งเป้าหมายกับความคาดหวังเนี่ยมันมันเกือบจะตีคู่กันมาเลยเพราะว่าเราไม่เรายังไม่มีความละเอียดในจิตของเรานะเพราะเรายังไม่ได้เห็นโทษของความคาดหวังเราจึงมีความคาดหวังกับเป้าหมายเนี่ยที่มันเป็นเหมือนเป็นแพ็เกจที่มันคู่กันอยู่จริงๆแล้วเราไม่จาเป็นจะต้องเอาแพ็กเกจตัวนี้ เราสามารถที่จะมีเป้าหมายอย่างเดียวได้โดยที่ไม่มีความคาดหวังหรือจะเป็นแพ็กเกจก็ได้เราเอาเป้าหมายมาคู่กับความไอสันตุ๋ถีตัวนี้แหละความยินดีพอใจความยินดีในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้อันนี้แหละมันต้องมาคู่กันไม่ใช่ว่าเรามีเป้าหมายแล้วเราก็คู่กับความคาดหวังอันนี้ไม่ถูกถ้าจะให้มันมีต้องเ ป, เป็นเป้าหมาย คู่กับสันติถีคือสันโดตัวนี้อ่ะทีนี้ยังไม่ได้พูดถึงอภิชาตาคือความมักน้อยนะทีนี้อภิชาตาความมักน้อยนี่มันใช้ตรงไหนมันใช้ก็ตรงที่เราว่าอเอาไว้ตั้งเป้าหมายนี่แหละเพราะฉะนั้นมักน้อยนะถ้าเราใช้ไม่ถูกเนี่ยเราก็จะเอาเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยล้มเลิกไปเพราะเรามีความมักน้อยอย่างเช่น เป้าหมายที่ที่ดีของการปฏิบัติธรรมคือการทําที่สุดของทุกหรือปีนี้ที่เราตั้งเป้าไว้สปอซอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีความมักน้อยช่างมันเทอะสมมตินะที่แบบใช้ไม่เป็นนะช่างมันเถอะมันจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่างหมูมันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเฉยๆทําไปทําไปสักแต่ว่าทํางานให้มันเช้าชามเย็นชามอันนี้คือควรใช้อาปิจิตาคือความมักน้อยได้แบบไม่ถูกต้อง พอใช้ไม่ถูกต้องมันกลายเป็นทำงานเช้าชามเย็นชามนะปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าทำสัวๆไปไม่ได้มีความพินิดพิเคราะห์ไม่ได้มีความละเอียดละออแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างดีทำอย่างตั้งใจแล้วก็ทำอย่างถูกต้องแต่พอเรามีความมักน้อยอภิชตาเนี่ยคนที่มีอภิชตาที่ดีเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพใหญ่หมายความว่าเขาจะเห็นว่า ปลายทางคืออะไรแล้วเขาก็จะมาร์กไว้ได้ว่าก่อนที่มันจะไปถึงปลายทางตัว น, นั้นเนี่ยมันมีจุดพักตรงไหนบ้างมีจุดที่เราจะาเป็นที่หมายเป็นที่เล็งที่เราจะค่อยๆแตะเหมือนเราปีนเขาเนี่ยเราก็จะต้องคอยดูว่าอ๋อไม่มีแง่งหินตรงไหนมัง่งที่เราจะไปเกาะไว้เอามือไปเกาะไว้สามารถที่จะดึงตัวขึ้นไปข้างบนได้แล้วเราที่จะเอาขาเราไปเหยียบตรงหินก้อนไหนได้บ้าง เพริอียันไว้ไม่ให้มันตกลงมาได้นี่แหละฉันได้ฉันนั้นนะอภิชาตาความมากน้อยเนะี่ยคือตรงนี้หมายความว่าเราไม่เอาขาเราเนี่ยไปเหยียบมันยอดเขาหรอกแต่เราเอาขาเราเนี่ยเหยียบตรงหินแต่ละก้อนแต่ละก้อนเอามือต่ายไปที่หินแต่ละก้อนแต่ละก้อนให้มันค่อยๆขึ้นไปทีละหน่อยมีความมากน้อยอยู่ที่ว่าตรงนี้แหละยื่นไปทีละน้อย คลืบคลานไปทีละน้อยแล้วก็เป็นแต่มันเป็นเส้นทางเดียวนะเส้นทางเดียวกันที่มันจะขึ้นไปถึงยอดเขาคือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะหยิบอหินก้อนที่มันเลยไปอยู่ที่สองสามช่วงแขนเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนเพรา ะ, ะนั้นเราทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ผลที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ไม่สามารถทำได้ หรือทำได้ก็มีแต่เรื่องเสียหายเกิดขึ้นและเราฝืนทำลงไปแน่นอนผลที่ได้คือความทุกข์ความเสียหายที่มันเป็นผลตอบกลับมาเพราะว่าเราทำในสิ่งที่มันเกินกำลังแต่ e SI ER. เรามีความมากน้อยหมายควาว่าเราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้อยู่ในกำลังที่เราสามารถจะทำได้อยู่ในศักยภาพอยู่ในขาดที่เรามีศักยภาพที่เราจะทาได้นี่ต่างหากคือความมักน้อยนะแต่ <Ừ. S 1> อย่งาง ที่คนใช้มักน้อยไม่เป็นเนี่ยก็หมายความว่ า, ว า, เ, าเรามีเงินทุนอยู่หมื่นหนึ่งแต่เราไปทําธุรกิจที่มันต้องใช้เงินหนึ่งล้านอย่างเงี้ยอันนี้มันเกินตัวแต่เรามีเงินหนึ่งหมื่นแล้วก็หาธุรกิจทําในแบบที่เงินหนึ่งหมื่นสามารถทําได้เป็นต้นนะอย่างนี้แหละก็เรียกว่ามีความมากน้อยทําในสิ่งที่เราพอทําได้ทําในสิ่งที่เรา มีศักยภาพที่เราจะทําได้อย่างดีแล้วก็ค่อยๆ ค, คลี่คานไปพอผลที่ได้เกิดขึ้นสันตุถีก็เกิดขึ้นนะก็ต้องใช้ด้วยผลที่ได้แล้วก็พอใจยินดีแล้วเราก็มันก็วนกลับมาเป็นลูปนะลูปเหมือนเราปีนเขาแลนะ้พอได้ก้อนนี้แล้วก็ไปก้อนต่อไปแล้วก็มีมีอภิชาตาอีกว่าเราได้ถึงจุดมาร์กตรงนี้แล้วเราก็ไปจุดมาร์กต่อไปที่เราตั้งเป้าไว้จนไปถึงภาพใหญ่ก็คือว่าเราไปถึงยอดเขาได้ เพราะฉะนั้นอภิชตากับสันตถีเนี่ยดูมันเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันเวลาแปลชื่อมันออกมาแล้วเนี่ยแต่มันก็เป็นคนละตัวกันถ้าเราเปรียบเทียบให้มันง่ายขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยมันเหมือนอต้นไม้นะทาราวาดภาพต้นไม้เนี่ยท่านฟังลองนึกภาพต้นไม้นะว่ามีรากที่มันฝังอยู่ในดินนะแล้วก็มีต้นขึ้นไปมี กิ่ก้านสาขาแตกออกมาปุ๊บแล้วก็มีเหมือนต้นมะม่วงนี่แหละที่มันมีผลมะม่วงกําลังอยู่ออกออกผลให้เราอยู่อภิชตานี่มันก็จะอยู่ตรงรากของต้นไม้นี่แหละเพราะงี้คือทางเข้าแล้วก็สันตุ ถ, ถีเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงทางออกคือไอ้ผลมะม่วงนี่แหละพอเราเขียนภาพอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าเวลาใช้ต้องใช้อย่างนี้ อภิชาตาเอาไว้ควบคุมจิตตรงทางเข้าสันตุถีเอาไว้ควบคุมใจของเราตรงทางออกของการงานเพราะฉะนั้นควบคุมการงานทางเข้าใช้อภิชาตาควบคุมผลของงานทางออกที่ใจของเรานะก็คือใช้สันตุถีเราก็จะไม่สับสนแล้วว่าอภิชติคือความมักน้อยกับสันตุถีความยินดีพอใจ ในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่มันพึงมีพึงได้เนี่ยเราก็ไม่สับสนแล้วเราก็จะใช้ได้อย่างดีด้วยใช้ถูกที่ถูกเวลาถูกกับจังหวะจะครเนี่ยผลที่ได้มันก็จะดีการงานที่เราทำเพราะนั้นคนมีอภิชตาควบคู่ไปกับสันตุถีเนี่ยการงานที่ทำออกมาเนี่ยจะเจริญก้าวหน้านได้อย่างดีไม่ใช่ว่าใช้สองตัวนี้แล้วชีวิตย่าต๊อกอยู่กับที่ไม่มีความเจริญไม่ใช่ จะยิ่งทำให้การงานเนี่ยจเจริญได้ดีจเจริญก้าวหน้าได้อย่างดีอย่างที่ไม่มีทุกข์ในใจด้วยนะเพราะว่าเรามีสันติถีคือความยินดีในสิ่งที่เรามียินดีในเหตุที่เราได้ทำแล้วผลจากเหตุที่มันเกิดขึ้นเราก็ยินดีมันได้นี่แหละทุกข์มันจึงไม่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะเราไม่มีความคาดหวังเราใช้สันติถีเนะี่ยกจัดความคาดหวังในใจของเราไปได้ด้วย แสดงว่าอความมักน้อยเนี่ยมันนอกจากเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วเรื่องอื่นๆด้วยมันก็น่าจะทําให้ชีวิตดีนะคะดีชีวิตมีความสุขดีในปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มันก็เป็นขั้นๆถ้าเราบอกว่าปฏิบัติธรรมเรามอนในแง่ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นตน้นถ้าเรามองในแง่นี้เราก็มีความยินดีมากอ่ะ ก่อนที่จะถ้าเรามองเป็นสเต็ปคือศีลไปสมาธิแล้วไปปัญญาเนี่ยเราก็ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในช่วงรักษาศีลก่อน เ, อเรายังไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติสมาธิเท่าไหร่เราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ศีลก่อนอา้าวเราก็ต้องดูว่ า, เ, าเรามีศักยภาพทําได้ตอนนี้ณนะเวลานี้ณนะตอนนี้เท่าไหร่แต่เป้าหมายคือเราทําศีลให้บริบูรณ์อา่า แล้วเราก็ดูว่าอ่อย่างช่วงนี้กิกเกิกที่เรามีทั้งหลายแหล่เราก็สามารถตัดได้ทันทีเพราะไม่มีเงื่อนไขผูกมดัดมากเราก็สามารถทำสีข้อ3มให้ของเราบริบูรณ์ได้ทันทีทำก่อนเลยการที่เราตั้งใจและวว่าเราจะคอยควบคุมมีสติควบคุมอย่างดีเราจะไม่พูดว่าร้ายใครเราจะไม่โกหกใคร ไม่พูดสอดเสียดไม่พูดนินทาใครเราก็พยายามรักษาให้ดี อ, อย่างสมมติถ้าให้มันตั้งเป้าให้มันละเอียดลงไปวันนี้เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นเกิน3ครั้งไ่ต่อนหรือวันนี้จะไม่ให้มันเกิดขึ้นสองครั้งหรือวันนี้พอเก่งขึ้นชำนาญขึ้นวันนี้จะไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยเราก็จะบรรลุวัตถุประสงค์เราไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าพอเราตั้งเป้าหมายไปที่เราจะทำสีให้บริบูรณ์ แต่เราไม่มีอภิชาตาย่อยๆของเราอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้มันจะเดินไปยากเราก็จะเดินแบบตุ ป, ปัตตุเปของเราไปแล้วเราก็จะทําการงานให้เราเนี่ยได้สําเร็จรุ่งได้ยากเพราะเราไม่ได้ทําสิ่งเล็กๆการที่เราจะสร้างตึกให้มันได้เป็นร้อยชั้นเนี่ยมันก็ทําทีละชั้นน ะ, ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่ไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเราทําข้อนี้ได้บริบูรณ์แล้วเราก็ไปเสริมต้องโน้อนอีกหน่อยหนึ่ง ตรงนี้ข้อนี้เรายังทำไม่ได้บริบูรณ์แล้วก็แต่ค่อยๆทำให้มันดีขึ้นทำให้มันบ่อยขึ้นจนเริ่มเป็นนิสัยในใจได้ข้อนี้จะค่อยบริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นจนเราทำข้อนี้ก็บริบูรณ์ข้อนั้นก็บริบูรณ์จนสุดท้ายเราทำห5ข้อได้บริบูรณ์คือศีลเราบริบูรณ์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเราคิดว่า เ, เราจะทาศีลห้าข้อให้บริบูรณ์เลยโดยที่เร า, า, เ, าเรียกมากๆนะ สมมว่าเรามีศักยภาพอยู่แค่ว่าทำสองสข้อก่อนอย่างเงี้ยนะเราก็เอาและทํามัน5ข้อเลยโอ้ยแล้วมันก็ยากเหลือเกินไอ้ไอ น, นี้ข้อนี้ก็ยังทําไม่ได้ซักดีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรความทุกข์เพราะว่าเราไม่ไม่ได้เป็นผู้ชนะนะนะไม่เป็นผู้ฉลาดในการงานของเราเราไม่มีความใกล้ครวนความพินิจพิเคราะห์หรืออย่างที่เราเอามาผูกกับหัวข้อทําคืออภิชาตาเนี่ยเราไม่มีอภิชาตาิเล็กๆน้อย น, อนพวกนี้ เราไม่มีความมักน้อยในการที่เราจะค่อยๆไต่ไป ท, ทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยจนถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ถ้าเรามีความมักน้อยเนี่ยเราทำตรงนี้ไดตรงนี้ได้แล้วค่อยๆทาไปความยินดีพอใจในการที่การงานน้อยๆของเราสำเร็จทีละหน่อยทีละหน่อยได้เนี่ยมันจะยิ่งเป็นกําลังใจให้เรามันจะยิ่งสร้างกําลังใจให้เราเราก็จะยิ่งยิ่งมีความเพียรยิ่งมีความพยายามแล้วก็ประสบการณ์หรื อ, เ, อเล็กๆน้อยๆที่เราจะ ค่อยๆปรับปรุงมันให้ดีขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆไปได้แต่ถ้าเรามาจับงานใหญ่ๆโดยที่เราอะไรก็จะเอาไอ้นี่ให้มันเสร็จอย่างเดียวโดยที่เราเบินเฉยเพิกเฉยต่อรายละเอียดลเยดล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องค่อยๆไต่ไปเนี่ยการงานมันก็จะสําเร็จได้ไม่อย่างดีหรือบางทีอาจจะล้มเหลวด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องอภิชาตาคือความมักน้อยแล้วก็สันตุถิที่ ใครหลายคนเนี่ยอาจจะยังมีความสับสนหรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วที่สําคัญคืออาจจะมีความรู้สึกที่ว่าหัวข้อทําอันเนี้ยไม่น่าที่จะยินดีไม่น่าที่จะพอใจและแม้ยังไม่อยากที่จะเอามาพึ่พึ่งปฏิบัติเท่าไหร่ก็อยากจะให้ได้รับฟังตรงนี้แล้วก็จะได้แก้ใจเราว่ามันเป็นหัวข้อที่ดีมากนะ แล้วก็เป็นหัวข้อที่อยู่ในสเลขธรรมคือเครื่องขูดการคิดอย่างยิ่งยวดอย่างดีเลยตัวยมเองก็เข้าเข้าใจผิดเจ้าค่ะเข้าใจผิดมากเลยคิดว่ามันมันน่าจะมีความหมายในทางที่ที่ไม่ดีมากกว่าดีซะอีกแต่จริงๆแล้วในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าการตั้งเป้าหมายในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็ใช้ธรรมะสองข้อนี้ทำให้ใ ช, ชีวิตดีขึ้นเลยยิ่งทำให้การงานเจริญและอย่างดีด้วยนะก็คือเป้าหมายควรตั้งไว้แต่ก็ไม่ควรมีความคาดหวังใช่แล้วก็พูดง่ายคือเราถ้าเรามีอภิชา ต, ตาเนี่ยถ้าเราภาษาของนักเรียนธุรกิจพวกผู้บริหารที่เขาเรียนกันเขาจะมีมายสเตน์นะเขาจะมีเป้าหมายเล็กๆน้อยๆนัก็คือ มายสเตนหมายความว่าเราก็จะมีเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายเรามีอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนัอ น, น, อ น, อนนี้หน่อก็เรียกมายสเตนคือเกาะไปเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นตัว QC ด้วยคอยเช็คเราด้วยว่าอ๋อเราถึงตรงนี้แล้วนะดี๋ยวเราก็จะไปตรงนั้นต่อได้นี่นะพูดง่ายก็คือผู้เจ้าเนี่ยสอนเรื่องนี้มานานแล้วละ่ะก็อภิาชาตานี่กเหมือนเป็นมายสเตนอันหนึ่งที่เราตั้งได้ทําได้แล้วก็มันเป็นก้า เป็นคืบเป็นหลักที่จะทำให้เราไต่ไปถึงความเจริญก้าวหน้าหรือความสำเร็จได้ทั้งในการปฏิบัติธรรมและก็ดำเนินชีวิตในแบบครว่า ด, ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งความสันโดษและก็ความมักน้อยที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะเข้าใจความหมายที่ผิดไปเหมือนอย่างที่ดิฉันเอง <c oughs> ก็เข้าใจผิดนะคะ <c oughs> ก็กลับมาฟังตอนนี้ใหม่ก็จะได้รู้สึกว่าอ้อ ความสันโดษและความมักน้อยซึ่งหลายๆคนก็คงจะมีที่มีแตกต่างกันหรือว่ามีไม่เท่ากันเนี่ยมันก็เป็นธรรมะที่ดีที่จะนำพาชีวิตเราให้ไปในทางที่ดีทั้งในเรื่องของทางโลกแล้วก็ในเรื่องทางธรรมทั้งการปฏิบัติธรรมและ ก, การใช้ชีวิต ประจำวันอยู่ในโลกใบนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมะสบายบายแล้วนะคะกราบน้ำรสการขอบคุณพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและก็ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ ะ, จะเจริญพร